ขันเทาบ่อๆมันแหลวโปเป็ดตัวงงกังงักกุกกักกักย้อนไปขันเทาประกาศนี่เลยหลวงตาประกาศแล้วยังคอยยังคอยยังคอยเศ้ายังอยู่ในความสงบท่นจันทร์หลวงตาบุประกาศเนีเอาอยู่นะกุกกักกักย้อวันนี้เป็นวันที่ยี่ส <c oughs> ิบสองตุลาคม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 จะมีการบันทึกไหมบันทึกเสียงไว้ไหมก็ดีเหมือนกันว่าเรามีการไปชมุมการก็ควรจะมีการบันทึกเสียงของยุคนี้สมัยนี้ควรจะมีการบันทึกไว้อ่ะต่อไปเราก็จะได้เอาเรื่องราที่เราไปชุมหาหรือกันในหมู่ญาติแต่เข้าในกลุ่มใหญ่เนีมันก็งานก็จะได้เป็นระบบ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 จะเหล่าสรุปแล้วก็คือจะเป็นบุญไหมหลวงพ่อวาเป็นบาปจะมากกว่าผมไปฆ่าสัตว์นะบุญก็นิดหน่อยบุญหาบบาปหิวลักษณะอย่างนั้นแหละบุญต้องหาบบาปต้องในหิวหน่อยนึองมันไม่บุญไม่ใช่บุญบุญหาบนะถ้าบุญหาบเราหาบเปว่าสองข้างมันมากหิูลเป็นว่าน้อยบุญหาบบาปหิวนี่แหละวิธีการทา